กรรมวาจา95ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อชนะนี้ถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึง่งถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงอัญญาว่าทาก ก, กรรมแก่ภิกษุชื่อชนะนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อชนะ นี้ถูกไต่สวนอบับดุลท่ามกลางสง์กลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งสง์จึงลงอัญญาว่าทกกรรมแก่ภิกษุชื่อชนะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอัญญาว่าทักกรรมแก่ภิกษุชื่อชนะท่ารูปนั้นพึงนิง่งท่ารูปใดไม่เห็นด้วยท่ารูปนั้นพึงทักท้วงอัญญาว่าทักกรรมสงลงแก่ภิกษุชื่อชนะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะ น, นั้นจึงนิง่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้